พวกเราก็ทราบดีนะว่าสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตเนี่ยคือปัจจัยสี่ใบรรดาปัจจัยสี่ประการเนี่ยอะไรที่สําคัญที่สุด น, นะคืออาหารนะคนเราขาดอาหารได้ไม่นานนะก็อยู่ไม่ได้ขาดอาหารแต่มีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยอาศัยนะก็ยังตายได้นะยิ่งถ้าอาหารนี้ กินความไปถึงน้ำด้วยเนี่ยโหยิ่งสำคัญที่สุดเลย <c oughs> เพราะว่าถ้าเราขาดน้ำมาแค่สองสมวันนี่ก็แย่แล้วนะแต่ว่าปัจจัยสีเนี่ยนะยังไม่สำคัญเท่ากับสิ่งหนึ่งนะถึงนั้นคืออะไรนะคืออากาศนะถ้าขาดอากาศนี่แค่สีนาทีเนี่ยก็กลายเป็นผักไปแล้ว นานก่อนนั้นก็ตายเนี่ยไม่มีอากาศนะก็ตายได้ง่ายอย่างที่เรียกว่าเนี่ยคนเราตายเพราะสิ้นลมนะสิ้นลมก็คือไม่หายใจและอากาศที่มันสำคัญต่อชีวิตของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยคืออะไรนะคือออกซิเจนนะอากาศนี่มันมีสารต่างๆมากมายนะที่เราเป็นแก๊สเนี่ย แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือออกซิเจนนะออกซิเจนเนี่ยนะมันจำเป็นสำหรับช่วของเราเนี่ยเรียกว่าทุกนาทีเลยหรือว่าทุกขณะเลยก็ว่าได้คนเรานี่ถ้าไม่มีออกซิเจนนะก็ตายในเวลาไม่นานออกซิเจนะนี่มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับเราออกซิเจนะนี่คือ อากาศที่ให้ชีวิตกับเราอย่างแท้จริงเพราะอะไรนะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยให้เกิดพลังงานนะบางทีเราใช้คำว่าเผาผลาญ น, นะเผาผลาญให้เกิดพลังงานในกระบวนการเผาผลาญเนี่ยก็ใช้ออกซิเจนนะมันก็เหมือนกับการเผาฟืนนะเกลียวไฟมันก็เผาฟืนเพื่อให้เกิดพลังงานนะพลังงานความร้อนเป็นต้นนะ รลังงานเกิดจากการเผาผลาญในร่างกายเราก็เหมือนกันนะถึงแม้ไม่มีเปลวไฟนะแต่ว่ามันก็มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงก็คืออะไรเชื้อเพลิงก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละจะเป็นข้าวจะเป็นผักจะเป็นเนื้อน้ําตาลเนี่ยที่มันทําให้เราอยู่ได้เพราะมันมีการเผาผลาญและตัวที่ทําให้เกิดการเผาผลาญเนี่ยคือออกซิเจนนะ มันเป็นการเผาผลาญในระดับโมเลกุลในระดับอะตอมเลยนะเล็กมากในชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีออกซิเจนเนี่ยช่วยให้พลังงานแต่ว่าในกระบวนการสร้างพลังงานเนี่ยให้กับร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะก็คือว่ามันเกิดอนุภาคบางชนิดขึ้นมา ในกระบวนการเผาผลาญซึ่งมาจากออกซิเจนเนี่ยอนุภาคนี่เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าอนุมูลอิสระนะอนุมูลอิสระมันอิสระจริงๆนะเพราะมันเที่ยวไปแย่งไปทึงไปฉีกทำลายเนื้อเยื่อในร่างกายเราเป็นการทำลายในระดับอะตอมในระดับโมเลกุลเลย แล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะไอตัวอนุโมยสลานี่หละที่มันเป็นเหตุผลสืบสายเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยพออยู่ไปนานๆ น, นนะก็เริ่มแก่ชาราอวัยวะก็เริ่มจะเสื่อมผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวนะตาก็เริ่มฝาดฟางปอดหัวใจก็เริ่ม นะเหนื่อย ล, ล้าขนะ้าคร่าแล้วสุดท้ายก็ตายนะมันเป็นกระบวนการที่เกิดจากออกซิเจนเหมือนกันนะนะคนเราไม่ค่อยนึกน้ำออกซิเจนเนี่ยมันมีอำนาจในการทำลายสูงมากนะขนาดเหล็กกล้านะหรือเหล็กเนี่ยนะยังเป็นสนิมเลยนะเหล็กนี่ยังเปาราะเลยเปาเราะเพราะอะไรเพราะมันมีสนิม สนิมเกิดจากอะไรนะก็ เ, เกิดจากออกซิเจนนี่แหละนะที่ดู น, นั้นเหล็กเนี่ยนะพอเจอออกซิเจนไปนานๆ น, นี่มันกร่อนเลยนะเพราะว่ามันเกิดสนิมแล้วสนิมเนี่ยเกิดจากการสันดาบนะกับออกซิเจน น, ะนี่ขนาดเหล็กนะยังเปราะเลยแล้วก็เสื่อมไปแล้วร่างกายเราซึ่งมันทําด้วยหนังเนี่ยนะเนื้อเยื่อเนี่ย มันจะไหวเหลยนะมันก็ถูกออกซิเจนค่อยทำลายไปเรื่อยๆทาลายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เจ็บป่วยแล้วก็ตายเมื่อมันก็น่าคิดนะสิ่งที่ให้ชีวิตกับเราเนี่ยมันก็นำความตายมาให้กับเราแล้วมันเกิดขึ้นทุกขณะนะว่าเนี่ยเราหายใจวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยขนาดเรานั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะ นั่งหรือนอนเนี่ยออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นนี่ยมันจะกลายเป็นอนุโมทิสระซึ่งค่อยๆไปทำลายอาวัยวะของเราทีละนิชที่ละนิชในระดับอะตอมเลยนะในระดับเซลล์เลยแล้วยิงล อ, อกกําลังกายด้วยนะออกกําลังกายนเนากว่ามันทาให้เราเข้มแข็งแข็ ง, แ, ข ง, แ, ขงแรงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยออกซิเจน10เป็นี่ยมันก็กลายเป็นอนุโมอิสละ ซึ่งเข้าไปค่อยๆกัดกร่อ น, นทำลายอาวัยวะในร่างกายของเราในขณะที่เรากำลังทำตัวให้แข็งแรงด้วย ก, การออกกำลังกายนี่มันก็เล่นกระบวนการทำลายตัวเราเองนะดูมันขัดแย้งกันมากเลยแล้วมีคนเ็าคำนวณ น, นะว่าเนี่ยเราหายใจปีหนึ่งปี1นึงออกซิเจนงเข้าไปเนี่ยมันมีผลเท่ากับการ เอ็กซปอดเนี board, ่ยเอ็กซาอกเนี่ยหน้าอกเนี่ยถึงหมื่นครั้งนะเอ็กซเนี่ยมันมันทำให้เกิดความเสียหายในร่างกายของเราเนี่ยเพราะามันมีสารกำมนตรังสีในสารกำมนตรังสีเนี่ยมันก็ที่มันทำความเสียหายกับร่างกายเราเพราะมันมีอนุมูลอิสระนะเรียกฟรีแรดิคลเนี่ ย, ยที่ไปทำลายเซลทำลาย โมเลกุลในร่างกายเราเป็นกระบวนการเดียวกับที่เกิดจากออกซิเจนเลยหัวหน้ากลัวนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะั่ที่เขาว่าเนี่ยหายใจเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยมีผลเท่ากับเอ็กซเรย์ X ray, ปอดเอ็กซเรย์หน้าอกเนี่ยถึงแสนครั้งนะก็คือว่ามันทำลายเนื้อเยื่อเราไปอย่างมากมายเลย อันนี้คือสัจธรรมนะสิ่งที่ให้ช่วยกับเรามันก็สามารถจะนำความตายมาให้กับเราได้ก็เหมือนกับอาหารแล้วนะเรากินเข้าไปเนี่ยน้ำตาลก็ดีไขมันก็ดีไอ้พวกนี้นี่มันจำเป็นต่อชีวิตจำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายเราทำงานได้มีเรื่องมีแรงแต่น้าตาลแล้วก็ไขมันที่แหละนะที่ สุดท้ายมันก็ทำให้เราเจ็บป่วยเบาหวานโรคหัวใจบางทีหัวใจวายเพราะไขมันเนี่ยมันอุดตันในเส้นเลือดหรือบางทีก็เกิดเป็นโรคเรียกสตโตรกนะคือว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือหลอดเลือดสมองอุดตันนะอุดตันเพราะอะไรเพราะไขามันนี่แหละ ไอ้ไขมันที่มันบำรุงเลี้ยงร่างกายเราเนี่ยให้พลังงานกับเราเนี่ยมันก็นำความตายมาให้กับเราได้เริ่มจากความเจ็บป่วยก่อนมาคิดดูนะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยก็เหมือนกันนะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะนำความทุกข์มาให้กับเราได้เรามีความสุขกับอะไรนะทรัพย์สินเงินทองคนจำนวนมานน่มีความสุขกับ หรือมีความสุขจากทรัพย์สินเงินทองแต่คนเหล่านี้เนี่ยนะก็ทุกข์เพาะและทุกข์เพาะทรัพย์สินเงินทองนะเริ่มตั้งแต่ว่าได้ไม่สมอยากได้เท่าไหร่กไไ็ไม่พอได้มาแล้วก็ต้องคอยห่วงคอยรักษาและยิ่งมันสูญหายไปก็ยิ่งทุกข์สุขเพาะเงินก็ทุกข์เพาะเงินนะนะ สุขเพราะร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายนะีคนที่มีความสุขกับร่างกายที่สวยงามหลอ่อสมารถทั้งคนเหล่านี้ก็ทุกข์กับร่างกายในยามที่มันเสื่อมไปในยามที่หนังเหี่ยวผิวย่นหรือว่าร่างกายมันอ้วนมากไปนะน้ําหนักมากไปยังไม่รับความเจ็บความป่วย สุขเพราะลูกก็ทุกข์เพราะลูกนะนะลองดูนะสุขคนที่สุขเพราะลูกเนี่ยก็ทุกข์เพราะลูกลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่เป็นไปอย่างที่ต้องตัวเองปรารถนาหรือลูกเจ็บลูกป่วยนะสุขเพราะคนรักก็ทุกข์เพราะคนรักนะบางทีทุกข์จนกระทั่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลย หรือว่ากลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยโทสะเพราะว่าคนรักนะไม่เป็นไปดังใจบันที่โกรธ ถ, ถึงขั้นทำร้ายเขาฆ่าจนตายก็มีหรือทั้งที่เขาดีดีมากเลยนะแต่ถึงเวลาเขาจากไปนี่ โอบางคนนี่แทบจะอยู่ไม่ได้เลยเคยสุขพเพราะเขาก็ทุกข์เพราะเขานั่นสิ่งอะไรที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยต้องระวังนะมันสามารถจะนําความทุกข์มาให้กับเราได้เพราะฉะนั้นเวลาสุขก็อย่าสุขมากจนจะลืมตัวนะให้เผื่อใจไว้บ้างว่าสักวันหนึ่งจะมีความทุกข์ติดตามมานะให้สุขแต่พอดี หรือว่าสุขอย่างรู้เนื้อรู้ตัวถึงเวลาทุกข์มันจะได้ไม่ไปหมดเนื้อหมดตัวนะหรือว่าสุขก็รู้ว่าสุขนะแต่ว่าไม่ไม่ถลําจมเข้าไปในความสุขนั้นถึงเวลามันแปลเปลี่ยนไปมันก็จะได้ไม่ไปทุกข์ตีอกชกขัวหรือว่าจนกระทั่งไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่แล้วมันทนไม่ไหวนะ อันนี้น่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระลึกอยู่เสมอว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีด้านตรงข้ามขนาดอากาศที่มันให้ชีวิตกับเรามันก็สามารถจะทำลายชีวิตของเราไปพร้อมๆกันได้อันนี้เป็นศัจธรรมที่เราต้องเตือนตนอยู่เสมอ